จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2549เป็นวันหยุดราชการ เป็นวันที่ท่านทั้งหลายไม่ต้องไปทำงานทำการในว่าเวลาว่างจากภารกิจการ ง, งานต่างๆจึงได้มาวัดเพื่อมาบำเพ็ญบุญกุศลอันเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงการเข้าวัด อย่างสม่ำเสมอจะทําให้เราเป็นคนฉลาดขึ้นเป็นคนมีปัญญามีความรู้มากขึ้นเนื่องจากว่าสิ่งที่เราได้ยินที่วัดนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นสิ่งที่เราจะไม่ได้ยินจากที่อื่นๆดังนั้นการเข้าวัด <c oughs> จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับผู้ที่ต้องการจะพัฒนาสติปัญญาของตนให้ฉลาดรอบรู้ให้ทันกับเหตุการณ์ต่างๆให้สามารถรับกับสภาพต่างๆได้อย่างไม่ท้อแท้อย่างไม่สะทกสะทานอย่างไม่หวาดกลัวเพราะถ้าเรารู้ความจริงของสิ่งต่างๆแล้วก็จะไม่มีอะไรน่าหวาดกลัว น่าสะทกสะทานแต่อย่างใดเหตุที่พวกเรามีความหวาดกลัวมีความสะทกสะทานมีความหวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆก็เป็นเพราะว่าเราขาดสติปัญญาความรู้ทางพระพุทธศาสนานั่นเองเราจึง <c oughs> มีความหวาดกลัวมีความสะทกสะทานกับเหตุการณ์ต่างๆ ท, ทั้งที่เกิดขึ้นทั้งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ดีเพราะเราไม่รู้เราไม่เข้าใจถึงธรรมชาติต่างๆนั่นเองว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราได้มาวัดเน่ามาฟังเทศฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอเราจะเกิดความเข้าอกเข้าใจว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เป็นอยู่นั้นเป็นเหมือนของที่เรายืมเขามาไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะได้ทำใจให้ถูกต้องปฏิบัติกับสิ่งต่างๆให้ถูกต้องนั่นเอง ถ้าเรารู้ว่าเรามีของอยู่ชิ้นหนึ่งและเป็นของคนอื่นเข้ามาฝากไว้เขาให้เรายืมใช้เรารู้ว่าสักวันหนึ่งเขาก็ต้องมาเอากลับคืนไปเราก็จะไม่ยึดไม่ติดเราจะไม่คิดหวงแหนรักษาเก็บไว้เป็นของเราไปตลอดเราต้องรอเวลาเตรียมตัว วันที่เขาจะมาขอเอาคืนไปเวลาเข้ามาเอาคืนไปเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเราก็ไม่หวาดกลัวเด้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่อย่างใดเพราะเรารู้อยู่ตั้งแต่ต้นแล้วว่าของชิ้นนี้เป็นของคนอื่นแล้วสักวันหนึ่งเขาก็จะมาขอเอาคืนไปเมื่อเขาเอาคืนไปเราก็ให้คืนเขาไปอย่างสบาย ตออกสบายใจไม่เสีย อ, อกเสียใจไม่ร้องผมร้องไห้แต่อย่างไรเพราะเรารู้ว่าไม่ได้เป็นของเรานั่นเองนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารตรสาวกทั้งหลายทรงรู้ทรงเห็นเมื่อได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนารักษาศีลทำบุญให้ทาน ท่านก็จะเห็น <c oughs> ท่านก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้เป็นของใครเลยทุกสิ่งทุกอย่างมาจากดินน้ำลมไฟทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆก็ดีที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนมาจากดินน้ำลมไฟทั้งสิน้น เมื่อมาประกอบกันมารวมตัวกันเข้าก็กลายเป็นสิ่งต่างๆเป็นต้นไม้เป็นต้นยญ้าเป็นสัตว์เป็นคนมาจากินน้ำลงไปทั้งสิ้นถ้าเราพิจารณาอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบเราก็จะเห็นว่าเป็นอย่างนั้นเช่นต้นไม้มันมาจากไหน ก็จากที่มีเมล็ดที่เราฝังไว้ในดินแล้วพอได้น้ำได้ฝนได้อากาศได้แดดมันก็ค่อยๆเจริญติโตขึ้นมาจนเป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาแล้วเมื่อมันตายไปมันก็กลับคืนไปสู่ดินกลับคืนไปสู่น้ำกลับคืนสู่ลมสู่ ไปไปมันไม่ได้เป็นต้นไม้ไปตลอดฉันใดร่างกายของเราก็เป็นแบบเดียวกันร่างกายของเราก็มาจากดินน้ําลมไฟเช่นเดียวกันโดยมาผ่านทางอาหารอาหารที่เรารับประทานก็มาจากดินน้ําลมไฟเช่นต้นเช่นข้าวที่เรารับประทานก็มาจากต้นข้าวต้นข้าวก็ต้องมีดิน มีแดดมีลมมีน้ําจึงจะโตขึ้นมาเป็นต้นข้าวแล้วก็ออกรวงข้าวเป็นเมล็ดข้าวเมื่อเราเอาเมล็ดข้าวนั้นมารับประทานมันก็มาเปลี่ยนเป็นอาการสาวสิบสองที่มีอยู่ในร่างกายของเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังเป็นต้นถ้าเราไม่รับประทานข้าวเข้าไป เราจะมีร่างกายอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ได้ไหมย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะการเจริญเติบโตของร่างกายนี้ <c oughs> ก็ต้อง อ, อาศาัยอาหารเป็นเครื่องสนับสนุนนั่นเองและเมื่อร่างกายเจริญเต็มที่จนในที่สุดก็ตายไปมันก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟเช่นเดียวกัน ร่างกายถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เวลาที่ตายไปแล้วน้ำที่มีอยู่ในร่างกายก็ต้องไหลออกมาลมก็ออกมาไฟคือความร้อนก็ออกมาถ้าเราไปจับร่างกายของคนตายจะแตกต่างกับคนเป็นคนเป็นจะมีความอุ่นอบอุ่นเพราะยังมีธาตุไฟอยู่แต่คนตายนั้นจะไม่มีความอุ่นอยู่เลย จะมีแต่ความเย็นเพราะธาตุไฟนั้นได้ออกจากร่างกายไปหมดเ <c oughs> หลือแต่ธาตุดินคือส่วนที่เป็นแข็งเช่นกระดูกหนังเนื้อต่างๆถ้าปล่อยทิ้งไว้ต่อไปมันก็แห้งกรอบแล้ว ก, กลายเป็นขี่ฝุน่นที่ดินไปในที่สุดดังนั้นถ้าเราพิจารณาอย่างท่องแท้ <c oughs> อย่าง ละเอียดแล้วเราจะเห็นว่าร่างกายนี้ก็เป็นแค่ดิบน้ํำลมใสเท่านั้นไม่ได้มีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้เลยตัวเรานี้มาจากอะไรตัวเราก็มาจากใจที่มาครอบครองร่างกายนี้เวลาร่างกายนี้เกิดขึ้นมานี่ขณะที่เริ่มก่อตัวขึ้นมาหลังจากที่ได้รับ ธาตุของพ่อกับของแม่มาผสมกันก็จะมีใจที่ตายมาจากชาติก่อนมาครอบครองธาตุที่ของพ่อของแม่ได้ผสมเอาไว้แล้วก็เกิดการปฏิสนธิเกิดการก่อตัวขึ้นมาเป็นรูปร่างเป็นทารกอยู่ในครรภ์ ก็อาศัยอาหารคือธาตุของคุณแม่นมน้ำน้ำเลือดน้ำนมที่มีอยู่ในท้องนั้นมาหล่อเลี้ยงทารกร่างกายของทารกนั้นให้เจริญเติบโตเมื่อโตเต็มที่แล้วก็ต้องออกคลอดออกมาเรียกว่ามีการเกิดการเกิดออกมานั้นก็มีครบทั้งสองส่วนคือส่วนร่างกายและส่วน จิตใจจิตใจนี้ไม่ได้มาจากพ่อจากแม่ร่างกายนี้มาจากพ่อจากแม่แต่จิตใจนี้มาจากดวงวิ ญ, ญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วอย่างพวกเราเมื่อตายไปดวงวิญญาณก็ออกจากร่างไปก็ไปแสวงหาร่างใหม่อย่างชาติก่อนเราตายไปออกจากร่าง เราก็แสวงหาจนในที่สุดก็ได้ร่างกายอันใหม่เป็นของมนุษย์เราก็มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็มาหลงมายึดมาติดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเพราะร่างกายนี้เป็นเราเป็นตัวเราพอเรามีความหลงยึดติดกับร่างกายแล้วพอร่างกายต้องจากเราไปต้องตายไปเราก็ร้องโผงร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ ทุกใจวุ่นวายใจเือนเพราะว่าเราไม่มีใครบอกเราว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเป็นของที่เราได้รับมาจากคุณพ่อคุณแม่แต่จะไม่อยู่กับเราไปตลอด<ม>เป็นเหมือนของเขาฝากเอาไว้ธรรมชาติคือดินน้ำลมไฟเข้ามาฝากเราไว้แล้วสักวันหนึ่งธรรมชาติก็จะเอากลับคืนไป ถ้าเรารู้ว่าเป็นอย่างนี้เราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อน่วงหนาว่าร่างกายของเรานี้สักวันหนึ่งก็ต้องคืนเขาไปต้องคืนธรรมชาติคืนดินน้ำลมไฟไปถ้ารู้แล้วก็เป็นเหมือนกับของที่เรายืมมานั่นแหละเมื่อเรารู้ว่าเป็นของที่เราต้องคืนเจ้าของเขาไปเราก็ไม่ไปหลงยึดหลงติดว่าเป็นของของเราเราก็เตรียมตัวเตรียมใจคอยวันเวลา ที่เจ้าของเขาจะมาเอาคืนไปเราก็คืนเขาไปเท่านั้นเองก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเราก็สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขกับของที่เขาฝากไว้ของก็ฝากไว้เราก็เอามาใช้เอามาทำประโยชน์ไปเรื่อยๆพอถึงวันที่เขาจะมาเอาคืนไปเราก็คืนเขาไปก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรร่างกายของเราก็ดีหรือสมบัติต่างๆ ที่เรามีอยู่ก็ดีมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นเหมือนกับของฝากเราก็เพียงแต่ดูแลรักษาแล้วนำเอาไปใช้ประโยชน์เท่าที่เราจะสามารถทำได้ถ้าเราฉลาดเราก็สามารถเอามาทำประโยชน์แก่จิตใจของเราให้จิตใจของเราได้ฉลาดขึ้น แต่รู้มากขึ้นมีกําลังมากขึ้นที่จะต่อสู้กับความหลงที่จะคอยหลอกล่อให้เราไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆปัญหาของพวกเราก็คือใจของพวกเรานั้นไม่มีกําลังที่จะสู้กับความหลงที่คอยหลอกให้เราไปหลงยึดหลงติดอยู่กับสิ่งต่างๆอยากได้สิ่งต่างๆ เมื่อได้มาแล้วก็ยึดติดโดยไม่คิดเลยว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นเพียงของฝากท่านั้นเองเป็นของอยืมมาสักวันหนึ่งก็ต้องถือกลับไปนี่คือสิ่งที่เราขาดกันก็คือกำลังใจที่จะต่อสู้กับความหลงและสติปัญญาทาั้งๆที่เราก็ได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ไม่ได้มีตัวตนไม่ได้เป็นเราเป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างมาจากบินน้าลงไฟทั้งสิ้นมีใจของเรามายึดมาติดมาครอบครองแล้วก็มาหลงคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเราพี่ถ้าเราถ้าเรามีมีมีกำลังที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติ ทำให้จิตใจของเรานั้นมีแรงที่จะต่อสู้กับความหลงกับความยึดติดเราก็จะสามารถเอาชนะความหลงความยึดติดได้เราก็จะไม่ไปยินดีไม่ไปอยากได้อะไรมาครอบครองมาเป็นสมบัติเพราะเรารู้ว่าได้มามากน้อยเพียงไรสักวันหนึ่งก็ต้องคืนเขาไปหมดและเวลาที่คืนไปนั้นจะเป็นเวลาที่ทุกข์ทรมาน ถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ถ้าเรารู้เราก็ไม่อยากจะเสียเวลาที่จะต้องไปขวนขวายหาสิ่งต่างๆมามากมายกายกองเกิน ค, ความจำเป็นมีไว้ทำไมเงินมากๆตายไปเราก็ไม่ได้เอาติดตัวเราไปด้วยเอาไปไม่ได้สมบัติทุกชิ้นที่เรามีอยู่เราก็ต้องทิ้งให้คนอื่นไปหมด มีไว้ก็มีแต่ความลาบากลาบนต้องคอยดูแลรักษาต้องหวงต้องหว่วงไม่มีความสุขกับสิ่งต่างๆที่เรามีเลยแต่เราไม่คิดกันเราถูกความหลงหลอกอยู่ตลอดเวลาหลอกให้คิดว่าให้มีเยอะๆให้มีมากๆให้มีสิ่งนั้นให้มีสิ่งนี้แล้วเราจะมีความสุข ความสุขก็มีอยู่แต่เป็นความสุขเพียงขณะที่เราได้มาเท่านั้นเวลาเราได้อะไรมาเราก็ดี อ, อกดีใจหลังจากนั้นสิ่งที่เราได้มาเราก็เอาไปวางไว้เฉยๆไม่ได้ไป ส, สนใจกลับมาอีกต่อไปของจะมีเต็มบ้านไปหมดแต่ใจเราก็ยังไม่พอก็ยังอยากจะได้อีกเพราะอยากจะได้สัมผัสกับความสุขในขณะที่ได้มาเท่านั้นเอง แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้มองถึงความทุกข์ที่ต้องตามมาเมื่อมีสมบัติแล้วก็มีความหลงยึดติดมีความหวงมีความห่วงมีความเสียดายเวลาที่หายไปเวลาที่มันจากเราไปทั้งๆ ท, ที่เราก็ไม่ได้ใช้มันของบางชิ้นบางอย่างที่เราเก็บไว้ในบ้านเราไมไ่เคยไปใช้มันไม่เคยไป อ, อาศัยมันเลย แต่ถ้าเกิดถูกขโมยไปก็เสียใจเสียดายเพราะใจถูกความหลงหลอกให้ยึดให้ติดนั่นเองแต่ถ้าคนที่ฉลาดได้ยินได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอามาสอนใจอยู่เรื่อยๆมาเตือนสติอยู่เรื่อยๆว่าของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ใช่เป็นของเราเป็นของที่เขาให้ยืมมา สักวันหนึ่งเขาก็จะเอากลับคืนไปเราก็จะไม่กังวลไม่หวงไม่ห่วงกับของต่างๆที่เราไม่อยู่เพราะไม่ใช้ก็เร็วเราก็รู้ว่ามันจะต้องจากเราไปและเราจะอยู่อย่างสบายใจเราจะไม่วุ่นวายจะไม่เดือดร้อนอะไรและเราจะอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรมากมายเราก็อยู่ได้แต่เราไม่ชอบอยู่แบบนั้นกัน เราชอบอยู่แบบมีอะไรมากๆมีของไว้มาเอื้ออํานวยความสความสุขความสบายมีพัดลมมีวิทยุมีโทรทัศน์มีตู้เย็นของต่างๆเหล่านี้เราไม่มีเราก็อยู่ได้สมัยก่อนสมัยที่เมืองไทยไม่มีไฟฟ้าเราก็ไม่มีตู้เย็นไม่มีพัดลมไม่มีโทรทัศน์ไม่มีวิทยุ ไม่มีเครื่องปรับระกาศปู่ย่าตายายของเราเขาก็อยู่กันมาได้อย่างสุขอย่างสบายไม่เห็นมีปัญหาอะไรนั่นก็เป็นเพราะว่าใจของเรานั้นสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีอะไรเช่นพระพุทธเจ้ากับพระอาหามตสาวกท่านก็อยู่แบบไม่มีอะไรบ้านท่านก็ไม่มีัสมัยก่อนพระไม่มีวัดอยู่กันส่วนใหญ่ท่านจะอยู่ตามถ้าอยู่ตามโคนไม้ อยู่ตามเรือนร้างที่ไม่มีใครเขาอยู่เขาก็อยู่กันได้พอมีที่หลบแดดหลบฝนก็อยู่ได้แล้วเสื้อผ้าก็มีเพียงชุดเดียวก็พอมีผ้าไต จ, จีวรมีผ้าสามผืนมีผ้านุ่มมีผ้าห่มแล้วก็มีผ้าห่มกันหนาวอีกผืนหนึ่งแค่นี้ก็พอเพียงแล้วนี่คือความจริงที่พวกเราไม่ค่อยได้สนใจศึกษากัน เราปล่อยให้ความหลงมันหลอกสร้างความสุขในจินตนาการของเราฝันว่ามีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้แล้วจะมีความสุขพอได้มามันก็สุขดีอกดีใจชั่วขณะแล้วก็กลายเป็นคนติดสิ่งนั้นไปเหมือนคนที่ติดยาเสพติดคนเราไม่เสพยาเสพติดก็อยู่ได้และมีความสุขสบายกว่าคนที่ติดยาเสพอีก ชั้นใดคนที่ติดโทรทัศน์ติดวิทยุติดอะไรต่างๆก็เป็นอย่างนั้นคนที่เขาไม่ติดเขาไม่เบือดร้อนเหมือนกับคนที่ติดคนที่ติดละครพอถึง เ, เวลาก็ไปไหนไม่ได้ต้องคอยดูละครดูแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรมันก็ไม่มีอะไรดูไปมันก็เพลิเดเพลินไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วก็มีเรื่องใหม่มาให้ติดมาให้ดูอีก ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนแก่จนตายก็ยังไม่หยุดไม่หย่อนก็ยังไม่เจอความสุขที่แท้จริงสักทีหนึ่งก็ยังมีความอยากมีความต้องการดูสิ่งนั้นดูสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆก็พเพราะว่าเราไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของใจของเรานั่นเองว่าความสุขของใจแล้วนั้นที่ความจริงมันอยู่ตรงไหน ถ้าเราได้มาเจอพระพุทธเจ้าได้มาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าความสุขของใจนั้นไม่ได้อยู่กับสิ่งภายนอกมีมากน้อยเพียงไรไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงนอกจากไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงแล้วยังให้ความทุกข์อีกเพราะเราไปหลงไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆเราก็ต้องมาคอยกังวลดูแลรักษามาหวงมาห่วง แล้วก็มาเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่มันจากเราไปพระพุทธเจ้าก็ข้าหานภาษาวกท่านจึงไม่มีสมบัติอะไรเลยนอกจากสิ่งที่จําเป็นที่จะไว้เิีงดูแลรักษาชีวิตนี้เท่นั้นเองแต่สิ่งที่ท่านมีที่พวกเราไม่มีกันก็คือความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงนี้คืออะไรก็คือความสงบของจิตของใจนี้เอง ใจของเราถ้าสงบเมื่อไหร่เราจะพบกับความสุขเมื่อนั้นนี่คือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้มาทําให้จิตสงบเป็นความสุขที่มีอยู่ในใจอยู่แล้วเพียงแต่ใจไม่รู้ใจแทนที่จะพยายามทําใจให้นิ่งกลับไปปวนใจของตัวเองด้วยการคิดด้วยการแสวงหาด้วยความอยากกับสิ่งต่างๆ เมื่อได้มาแล้วก็ต้องมาพูนวายกับการดูแลรักษาใจจะไม่เคยมีความสุขที่แท้จริงสักทีหนึ่งพระพุทธเจ้าตอนก่อนที่ท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นเหมือนพวกเราท่านก็มีสมบัติข้าวของเงินทองมากมายท่านเป็นถึงราชโอรสของกษัตริย์ท่านมีครบทุนทุกอย่างเรื่องความสุขทั้งโลกแต่ท่านก็ มีความฉลาดท่านเห็นว่าความสุขเหล่านี้ไม่ได้ให้เป็นความสุขที่แท้จริงท่านจึงพยายามศึกษาหาความรู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนก็ได้ก็ได้ทราบว่ามีพวกนักบวชที่เขาออกบวชกันพวกนี้แหละเป็นพวกที่หาความสุขที่แท้จริงคือหาความสุขจากการความสงบของจิตใจจิตใจจะสงบจะ จะระ ง, งับได้ก็ต้องกำจัดสิ่งที่ทำให้ใจไม่สงบนั่นเองสิ่งที่ทำให้ใจไม่สงบก็คือไม่คือก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนก็คือกิเลสตัณหาความหลงที่มีอยู่ในใจนี้เท่านั้นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะพบกับความสุขเราก็ต้องมากำจัดกิเลสตัณหาความหลงต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจและการที่จะทำให้มัน หมดไปได้เราก็ต้องดำเนินตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงได้ํำเนินมาคือเราต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆสามีภรรยาถ้ามีแล้วก็ออกบวชกันออกไปปฏิบัติธรรมรักษาศีลมังคับจิตใจร่างกายมังคับกายวาจาใจไม่ให้ไปทำบาปทำกรรม เพราะการทำบาป ท, ทำกรรมจะทำให้จิตใจเราทุกข์ให้มีความวุ่นวายขึ้นมาแล้วก็ให้บำเพ็ญภาวนาให้นั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบด้วยการระลึกถึงลมหายใจเข้าออกรู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกให้รู้อยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปรู้เรื่องอื่นไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้รู้แต่ลมหายใจเข้าออก หรือถ้าเราอยากจะระลึกคำบริกรรมพุทโธพุทโธก็บริกรรมไปภายในใจก็ได้พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่ให้ใจไปคิดอะไรเพราะถ้าใจคิดแล้วมันจะไม่นิ่งมันจะไม่สงบแต่ถ้ามันอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วมันก็จะสงบลงนิ่งลงเมื่อมันสงบแล้วเราก็ถึงเราจะเข้าใจทันทีเลยว่าข อ, อความคิด ความสุขที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้เองเมื่อก่อนนี้เราหลงไปหาความสุขจากเงินทองหาเงินสุขจากข้าวของต่างๆหาความสุขจากคนนั้นจากคนนี้แต่เราไม่ได้เจอความสุขแบบนี้เลยเป็นความสุขที่ละเอียดเป็นความสุขที่สุขุมเป็นความสุขที่เต็มไปด้วยความอิ่มความพอเพียงแต่ว่าความสุขที่เกิดจากการ นั่งสมาธินะั้นมันเป็นความสุขไม่นานอยู่ได้ไม่นานมันก็ต้องถอนออกมาพอถอนออกมาจากความสงบแล้วจิตก็เริ่มไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ความหลงก็มาผลักดันให้ไปคิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จึงจำเป็นจะต้องปฏิบัติทำขั้นอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าปัญญาหรือวิปัสสนาต้องคอยสอนจิตของใจว่าอย่าไปเอามาเลย ของต่างๆที่ความที่ใจเราอยากได้นั้นมันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความทุกข์เพราะมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราได้อะไรมาวันนี้เราดีใจแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มันมันเสียไปมันมันพังไปมันหายไปมันจากเราไปเราก็ต้องเสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไห้นี่คือปัญญาเรียกว่าวิปัสสนา ทุกครั้งเราอยากจะได้อะไรเราต้องใช้ปัญญาก็าไปหากห้าถามว่ามันจาเป็นไหมถ้ามันจาเป็นจริงๆก็เอามาได้เพราะเรายังต้องมีชีวิตอยู่เช่นลมหายใจเราต้องหายใจเข้าออกอยู่ถ้าไม่มีลมเราก็อยู่ไม่ได้อย่างนี้เราก็ต้องมีลมอาหารเราก็ต้องมีรับประทานของเหล่านี้เรียกว่าเป็นของจาเป็น แต่ของที่ไม่จำเป็นเช่นวิทยุโทรทัศน์เครื่องปรับอากาศตู้เย็นพัดลมอะไรต่างๆเหล่า น, นี้ไม่มีมันเราก็อยู่ได้เราถ้าไม่มีความจำเป็นเราก็อย่าไปมีมันดีกว่าแต่ถ้าเรามีความจำาเป็นจะต้องมีเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่าไปยึดอย่าไปติดต้องพร้อมให้มันพังให้มันเสียไปให้มันจากเราไปถ้าเราไม่พร้อมเราไปหลงไปยึดไปติด เราก็จะมีแต่ความทุกข์แต่ทางที่ดีที่สุดก็คืออย่าไปมีมันได้จะดีกว่าเอาพระพุทธเจ้าเอาพระอาหารหันตสาวกเป็นตัวอย่างนี่คือเป้าหมายของพวกเราที่เราควรที่จะขยับไปควรพยายามลดละสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ให้น้อยลงอย่าไปสะสมอย่าไปสแสวงหามาให้มันมีมากขึ้นเพราะมันเป็นการเดินผิดทางมันไม่ได้เดินไปสู่ความสุข แต่เดินไปสู่ความทุกขถ้าต้องการความสุขต้องลดต้องละต้องตัดให้มีให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นให้มีพอเพียงต่อการดำรงชีพก็พอแล้วทุ่มเทเวลามากับการรักษาศีลกับการภาวนาดีกว่ามาต่อสู้กับความโลภความอยากต่างๆความหลงต่างๆด้วยการนั่งสมาธิและการเจริญปัญญา ถ้าเราทำแบบนี้แล้วต่อไปความโลภความอยากความหลงต่างๆมันจะเบาบางลงไปเรื่อยๆทําให้เราอยู่อย่างสุขอย่างสบายมากกว่าเมื่อก่อนนี้นะทั้งๆ ท, ท, ที่เมื่อก่อนนี้เรามีอะไรมากมายกากองแต่เราหาความสุขไม่เจอมีแต่ความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้เราได้ลนได้ละได้ตัดความโลภความหลงความอยาก ให้น้อยลงเราอยู่เฉยๆก็มีความสุขไม่ต้องไปกดวีโมูดเปิดดูโทรทัศน์ไม่ต้องออกไปดูหนังไม่ต้องออกไปกินเลี้ยงไม่ต้องไปเที่ยวที่นั่นไม่ต้องไปเที่ยวที่นี่ว่าไม่มีความอยากผลักให้ไปนั่นเองอยู่เฉยๆมีความสุขแล้วเรื่องอะไรเราต้องไปเหนื่อยยากกับการไปตามสถานที่ต่างๆทําไมเวลาเราออกไปเราดีใจเพราะความอยากมัน มันได้มันได้ความสมอยากนั่นเองแต่พอกลับมาแล้วเป็นยังไงเหนื่อยไหมเครียดไหมรู้อย่างนี้ไม่ออกไปดีกว่าบางทียังบนเลยแต่ก็อยู่บ้านไม่ได้อยู่เฉยเฉยไม่ได้เพราะเราไม่มีกําลังที่จะสู้กับความอยากกับความหลงนั่นเองแต่ถ้าเราเอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพยายามปฏิบัติอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีสมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไร พระองค์ก็ทรงสละไปหมดพระองค์ทรงบำเพ็ญรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญปัญญาพวกเราก็สามารถทําได้ไม่มีไม่มีใครมาห้ามเรามีตัวเราเท่านั้นที่ห้ามตัวเราเองมีความหลงเท่านั้นที่มันคอยห้ามเราอยู่เสมอแต่ถ้าเรานั่งวิเคราะห์นั่งพิจารณาอย่างจริงๆแล้วเราจะต้องเดินตามทางพระพุทธเจ้า ว่าเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะให้ความสุขที่แท้จริงกับเราไม่เช่นนั้นแล้วชีวิตของเราก็จะเป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เป็นแบบสุขสุขดิบดิบ ม, มีสุขมีทุกข์ผสมกันไป เ, นเวลาทุกข์ก็แทบจะตายทรมานแทบจะตายเอาเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรามีทางเลือกเราเราสามารถเดินได้ทั้งสองทางแล้วเมื่อเราเจอสิ่งที่เรา เกิดขึ้นจากทางเลือกของเราเราก็ต้องยอมรับมันอย่าไปโทษใครถ้าอะไรยังไม่กลัวความทุกยังอยากจะไปทางที่เราเคยไปอยู่เมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็อย่าไปโทษใครก็ต้องทนไปแต่ถ้าเราไม่อยากจะเจอกับความทุกข์เราก็ต้องไปทางที่พระพุทธเจ้าได้ส่งไปทางนั้นจะไม่มีความทุกในเในบ้านปลาย แต่จะมีความยากลําบากในเบื้องต้นเพราะการต่อสู้กับความโลภความอยากความหลงนั่นเป็นสิ่งที่ยากลําบากมากการที่เราจะสละสมบัติข้าวของเงินทองสามีภรรยาไปอยู่คนเดียวได้นั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายแต่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยสามารถทําได้ถ้าเราฉลาดและมีกําลังใจพอที่จะทําอย่างนั้นจึงอยากจะให้ท่านทั้งหลาย จงได้เอาในสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตรพิจารณาและพยายามปฏิบัติตามแต่กำลังแห่งสติปัญญาศรัท ธ, ธาความเพียง<ม>เพื่อความสุขที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เสียงเท่านี้ขอคุณพระศระีรัตนใจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์